ออการอบรมจิตใจเป็นทำเนียมที่เราจะต้องตั้งใจฟั้งแล้วก็ฟังโดยความเคารพจึงจะประสบมีดวงตาเห็นธรรมนั่นก็สมัยครั้งพุทธกาลสมัยครั้งพุทธกาลนั่นผู้ที่ฟังธรรมรดดู้ว่าจะผู้ที่แสวงหาธรรม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 เรื่มเนื้อความในธรรมแล้วก็ ย, ยิ่งเพิ่มพูนความเรื่มใสศรัทธาความเชื่อน้อมจิตน้อมใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติสุ ข, ขัดอบรมอยู่เสมอตลอดเวลาการฟังธรรมมีอันให้ทรงมีประโยชน์อย่างนี้ประพฤทิศาสนาทีะอยู่ได้มาจนถึงปัจจุบัน เพราะอาศัยการศึกษาโดยการได้ยินได้ฟังซื่งต่อเรื่องกันมาตามระดับแต่เราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังแล้วจไหนเราจะระลึกได้เราจะรู้ได้ในทำคําสอนที่พระพุทธเจ้าพาประสุดปฏิบัติที่เรารู้ได้ระลึกได้เพราะอาศัยได้ยินได้ฟังแล้วได้ศึกษาได้ปฏิบัติมาบ้างแล้ว เราจะเลือ ก, กได้พอรู้ว่าทางนี้ทางถผิอทางนี้ทางผิดทางนี้ควรเดินทางนี้ไม่ควรเดินเพราะเราที่จะเลือกได้การประพฤติปฏิบัติเกี่ยวเนื่องถึงกันอย่างนี้จําเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีโอกาสแล้วเราควรยินดีเคารอใจตั้งออกตั้งใจศึกษาและตระหักตระหน เมื่อฟังเข้าใจเนื้อความแล้วทันวายโยนิโสมณัสิกาละไปพินิจพิจารณาธรรมอุบายแยกคายในจิตในใจให้เข้าใจลึกซึ้งในธรรมนั้นแน่ชัดลงไปฟังไว้ในจิตใจให้มั่นคงแล้วคอยเอาออกะพื่อปฏิบัติ ซึ่ใดที่อยู่เฉพาะหน้าเราจะประพฤติปฏิบัติได้เราก็ประพฤติปฏิบัติในทำส่ว น, นนั้นๆอที่เราพอทําได้อันส่วนลึกซึ่งละเอียดนั้นเราค่อยปฏิบัติไปตามระดับเมื่อเราเข้าใจส่วนตื้นๆและส่วนที่จะพอรู้ได้แล้วงานส่วนนี้เราเข้าใจแล้วงานต่อไปอีกก็มีที่ธรรมะให้เราศึกษา ละเอียดไปตามราดับจิตใจของเราก็จะได้เข้าถึงสภาพแห่งความละเอียดผลของการปฏิบัติก็ได้รับความสุขตามระดับละเอียดลึกซึ่งไปตามราดับจิตใจหนักแน่นมั่นคงไปตามระดับที่เราสามารถฝึกปฏิบัติได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายควรพยายาม เราสร้าง อ, อกตั้งใจตรวจรองพินิษฐ์พิจารณาตามหลักความเป็นจริงนะที่เพึ่ออย่างอื่นของเราไม่มีนี่ตามหลับคำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่านะัทที่แมสระนังอันอย่างที่เพึ่ออย่างอื่นของเราไม่มีปฏิเสธ คำว่าอย่างอื่นนั้นเราต้องเขาเ้าใจว่ายางอื่นคืออะไรที่พึ่งติดแท้จริงคืออะไรที่พึ่งติดแท้จริงที่ท่านเจาะจงลงไปนั้นพุทธทรมัยสรณงวรามนี่พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราอย่างประเสริฐส่วนอย่างอื่นนั้นไม่มีพึ่งไม่ได้เพราะเหตุใดท่านจึงว่า พุทโธเมสรณันงวังว่าพระพุทธเจ้าเป็นทิ่พึ่งของเราถ้าเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังไม่ได้ตรวจสิบนิสพิจารณาให้เข้าใจอันถูกต้องแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นทิ่งพึ่งของเราเลยเลยไปแสวงหาแต่ที่พึ่งอย่างอื่นนึกว่าจะพึ่งได้เหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายและศัตรทั้งหลายที่แสวงหาความสุข สแสวงหาเป็นคนไม่มีไม่อยากเป็นคนมีเวนมีภัยเป็นคนทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนอยากเป็นคนอิสระให้มีความสุขสแสวงหาความสุขสแสวงหาอิสระภาพสิริภาพไปที่ไหนก็ไม่เห็นใครได้พบได้เห็นแต่ความสุขและความอิสระภาพ ไปอยู่ที่ไหนเมืองไหนก็มีแต่การเดือดเดียนซึ่งกันและกันมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงในสิ่งจังใจเพราะฉะนั้นท่านจึง่าะพึ่งไม่ได้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 มีแล้วมันซุดซอมอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่บำรุงถ้าเราไม่มีวัตุไม่มีวัตถุคือปัจจัยน้อยมีปัจจัยสี่อย่า ง, จ, างจึงจะอยู่ได้ของสี่อย่างนั้นอเครื่องนุ่งเครื่องหม่มเราต้องมีถ้าไม่มีแล้วมันก็อยู่ไม่ได้อะสภาพร่างกายอันนี้อาหารการบริพอกก็ต้องมี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 มีผมมีขนมีแลบมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอมีกระดูกรู้ว่าจะเป็นที่เกิดของโรคทางนั้นเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเราจะไปพึ่งสิ่งเหล่านี้ให้เราได้ความสุขอย่างพึ่งพอใจอิ่มหนำสําราญได้อย่างไรท่านเห็นชัดอย่างนี้ท่านจึงกล่าวปฏิเสธว่าที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีอทุกวันนี้ ว่าชีวิตได้อยู่ด้วยอาหารการบริโภคกับแสวงหาแต่อาหารแสวงหาแต่การอยู่การกินโดยลืมคุณงามความดีลืมศีลลืมสมาธิลืมปัญญาลืมกพร ะ, ะรัะตนะไรพระพุทธพระธรรมประสงค์อันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงได้เมองไม่เห็นนึกว่าการอยู่การกินเป็นที่พึ่งที่แท้จริง แตเราพิจารณาดูแลคนที่ตายไปในอดีตทั้งหมดเขาไม่มีอาหารการกินเหรือเขาไม่มีบ้านอยู่หรือเขาไม่มีเงินใช้หรือถ้าหากม่มีบ้านอยู่แล้วมีความสุขมีอาหารการกินแล้วมีความสุขพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็มีประสาททั้งสามหลังพระองค์ก็ได้ความสุขพระองค์ไม่ต้องละทิ้ง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 จะมาช่วยอะไรได้กับความทุกข์โศมขัมข้มค่ากับความแตกดับของชีวิตกับความสลายของชีวิตเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมให้รู้จักชีวิตที่แทจ้จริงเรารู้จักแต่ชีวิตที่ปลอมๆที่เป็นอาการทุกข์มาอาศัยอยู่ชั่วคราวแล้วก็หมดไปหมดไปร่างกายนิ่งอาศัยธาตุทั้งสีมาอาศัยประชุมกันชั่วคราวก็สุกข์โศมไปคน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 ถือว่าเป็นของเราจริงๆถึงแม้ว่าสิ่งดอนนั้นจะต้องแตกดับจะต้องสลายสูญหายไปก็ยังหลงถือว่าเป็นของเรายังหวังว่าจะได้ความสุขจากสิ่งเหล่านี้มันจะได้ที่ไหนมันจะจริงกับเราเมื่อไหร่มันสุดซ้อนที่ให้เราเห็นได้ชัดไม่ใช่าพูดลอยๆโดยไม่มี เรามากำหนดดูอัตภาพร่างกายของเราทั้งหลายทุกคนทั้งหลายที่เรียกว่าสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นมาแลไม่ว่าสังขารสิ่งใดช่างหมดล้วนแต่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยกันทางนั้นไม่ว่าคนมั่งคั่งสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขบดีหรือคนมีอำนาจวาชนะยศถาบรร ด, ดาศัากดิ์สูงศักดิทลาก็ตามมีใครเหลืออยู่บ้าง สังเษดีจนถึงปัจจุบันไม่มีใครเหลืออยู่ได้นี่จึงเป็นพย า, ยานหลักฐานเห็นแจ้งชัดลที่พึ่งอย่างอื่นไม่มีจริงๆพึ่งไม่ได้จริงๆถ้าหากว่าจิตใจของเราได้รับอบรมฝึกฝนดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ปล่อยพึ่งได้ดีไปด้วยแต่ใจของเราไม่ได้อบรมให้ฉลาดท้ายดีแล้ว การทำแต่สิ่งที่ไม่ดีแม้จะมีอยู่ก็ไม่ให้เกิดความสุขจะได้ความสุขจากอะไรในบุคคลที่ประพฤติตัวไม่ดีจะได้ความเจริญอะไรจะมีชีวิตมีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นการประพฤติ ด, ดีนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งการประพฤติ ด, ดีเป็นการเจริญรอยประพฤติเจ้าเรายึดพระองค์เป็นเรื่งองยา่าง เป็นเนติแบบฉบับเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพระศาสดาคู่ควรกราบไหว้ควรสักการะ บ, บูชาและเราทั้งหลายควรเดินตามเพราะพระองค์มีความดีไม่มีสิ่งที่ไม่ดีเจี่ยวพนทั้งในอัการกระทําด้วยกายทั้งการพูดด้วยวายจาเราถึงการคิดนึกโดยใจกายวายจาใจของพระองค์เป็นกายที่สะอาดเป็นวาจาที่สะอาดเป็น แต่จิตใจที่สะอาดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สะอาดในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าเป็นต้น mm hmm. เมื่อเราระลึกแล้วเราพึ่งได้จริงๆทำให้จิตใจมีความสงบทำให้จิตใจมีความสุขความสงบและความสุขที่เราระลึกปล่อยวางอารมณ์นั้น เราสามารถที่จะทาได้ตลอดเวลามีอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องขอใครไม่ต้องเกี่ยวเนื่องกับผู้อื่นมำไมก็ต้องไปเอาที่ไหนเราเอาผลิดได้จากความรู้ในจิตใจของเรานะเพราะฉะนั้นการพึ่งพระพุทธเจ้าก็คือพึ่งผู้รู้พุทธะก็แปลว่าผู้รู้สิ่งที่เรารู้มีอยู่แล้วเราก็พึ่งได้สิ่งไหนเราไม่รู้เราก็พึ่งไม่ได้ เพราะฉะนั้นเรารู้ดีเราประพฤติปฏิบัติดีเราก็พึ่งได้ถ้าเราไม่รู้ล่ะไปทําแต่สิดผิดก็พึ่งไม่ได้เดี๋ยวนี้เราอยู่ได้เพราะความรู้เพราะความฉลาดเพราะความสามารถแม้แต่นในการทํามาหาเรื่องชีวที่ต้องอาศัยความรู้เอจึงจะกระทาได้คนไม่รู้ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นนคําว่าพุทธะก็ไม่ได้หมายเฉพาะที่อื่น เรารู้อยู่ตรงไหนเราลองระลึกดูสิระลึกพุทธโทดูดีรู้อยู่ตรงไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราก็พุ่งก็ตรงนั่นแหละรักษาผู้รู้นั้นเอปฏิบัติผู้รู้นั้นให้ดีทําความดีไว้กับผู้รู้ระลึกด้วยดีเดินด้วยดีทําด้วยดีพูดด้วยดีเราก็ได้แต่สิ่งที่ดี ไม่มีเวรไม่มีภยัยใครเล่ารังเกียจของดีสมัยไหนที่รังเกียจของดีชอบแตีสิ่งที่เลวๆไม่มีเราไปเกิดก็ต้องไปเกิดที่ดีได้สิ่งของก็จะได้สิ่งของไปดีๆเท่านั้นอยากไปคบค้าสมาคมเพื่อนฝูงก็มีอยากได้เพื่อนฝูงที่ดีเราะเหตุดได้เข้าความดี ทำให้เกิดสุขการประพฤติ ด, ดีพระปฏิบัติดีนี่แหละส่วนความดีคือพระธรรมการประพฤติปฏิบัติคือพระสงฆ์เรียกว่าสุปฏิปันโนส่วนพระธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดีแล้วสารทิทีิโกคือผู้ปฏิบัติจะรู้เองเห็นเอง ก็เห็นได้จังว่ารู้เองเห็นเองก็รู้ถึงใครไปบอกก็รู้ถ้าเราปฏิบัติ ด, ดีเราก็ต้องรู้ความดีของเราที่เราประพฤติปฏิบัติแต่จิตใจของเราดีเพราะการปฏิบัติ ด, ดีเราก็รู้จิตใจมีความสงบมีความสุขเราก็รู้เนี่ยทีนี้แต่ความสุขมันหายไปความไม่ความทุกข์เกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นเราก็รู้อีกหละ ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้แต่เมื่อเรารู้ว่าความสงบหายไปความไม่สงบเกิดขึ้นความสุขหายไปความทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเรารู้เช่นนั้นแล้วเราก็สามารถที่จะตรวจพิณิพิจารณาความทุกข์ในเราไม่ชอบว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเราก็พยายามแก้ไขภาวนาพิจารณา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 ไม่มีอะไรที่จะเราสงสัยแล้วอ่ะที่พึ่งทางอื่นไม่มีแล้วนอกจากเราจะมาทำกับความดีไว้ในจิตใจของเรานั่นเราพึ่งได้ถ้าเราไม่ทําเราก็พึ่งไม่ได้เหมือนจะดีตทีิพานมาแล้วเรายังไม่ได้บรรลุทำเราไม่ได้รู้ทำอย่างละเอียดตามบันดับเ ร, เ, ร เ, รเราก็เท่าก็เทือนมาตลอด พระพุทธเจ้าพระองค์ได้บรรลุธรรมได้เสดสจรู้ธรรมได้ 2,500 กว่าปีแลละก็เป็นสมบัติเฉพาะพระองค์เท่านั้นถ้าเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติเราก็จะเพาะตัวของเราเท่านั้น เมื่อสิ่ง่านี้เป็นสันทิฏฐิโกโดยเฉพาะพาะแล้วเราไม่ควรรอเราไม่ควรอ้างคนนั้นไม่ปฏิบัติคนนี้ไม่ภาวนาคนนั้นไม่ศึกษาคนนั้นเขาไม่ได้ทำกับเราเราไปทำคนเดียวจะรู้ได้อย่างไรจะเห็นได้อย่างไร uh huh. เราไม่ต้องคิดไม่ต้องอ้างแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้อ้างผู้อื่น ฉันอ้างทำที่สิ่งนี้เป็นส่วนดีมาประพฤติดีแล้วเจ้าความดีนั่นเราพึ่งได้แน่นอนแล้วก็ตั้งใจประพฤติความดีไม่ได้ประพฤติความดีเพื่อบุคคลใดคนหนึ่งปฏิบัติความดีเพื่อเราโดยเฉพาะเพื่อเป็นความดีของเราถ้าจะนั้นใครไม่ดีก็ํามให้เราดีเราก็พอใจใครไม่ละเราก็พยายามละ ใครไม่สงบเราก็พยายามสงบใครไม่ปฏิบัติเราก็พยายามปฏิบัติคนขับท่านไม่ให้พระองค์ออกไปอยู่ป่ามาพูดปฏิบัติไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครออกมาด้วยมีแต่คนขัดท่านไม่ให้พระองค์ออกไปอยู่ป่ามีแต่ห้ามบางคนก็ร้องห่มร้องไห้พระองค์หลักหี้ไปสวิงหาทุกทิศทุกทาง ถ้าพระองค์เชื่อฟังคนเหล่านั้นพระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้ า, ารอให้เขาเห็นพรอ้อบรอยเขาปฏิบัติแล้วจึงค่อยปฏิบัติแต่พระองค์ถือหลักความจริงว่ามนุษย์ทั้งหลายเขายังไม่รู้ความดีอันแท้จริงเขาเข้าใจว่าความเป็นอยู่ของเขาปัจจุ บ, บันเขาดีแล้วก็อยากให้เราไปอยู่อย่างนั้นเหมือนขเขา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 ชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันเราควรทําอะไรควรละอะไรเขาก็มืดออีก ช, ชีวิตในอนาคตข้างหน้าเขาจะได้อะไรขึ้นมาเขาก็มืดอตอีกเขาอยู่อย่างไรข้างหน้าเขาก็มืดอีกเพาฉะนั้นจึงไม่มีที่พึง่งพึ่งไม่ได้เพาความเมืดจะพึ่งอะไรได้ถ้าเราได้ ปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้เข้าใจและได้ประพฤติปฏิบัติให้เห็นตามปฏิบัติตามอย่างถูกต้องแล้วเราก็มีช่องทางพอที่จะมองเห็นทำที่พระองค์พาประพฤติปฏิบัติและครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงค์ก็ประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามถับให้เรา ได้เห็นเราได้ยินได้ฟังเราพอที่จะมีช่องทางมีโอกาสที่จะศึกษาและปฏิบัติไม่ต้องลุกไม่ต้องคลาไม่ต้องมืดพอที่จะเห็นได้พอที่จะเดินได้พอที่จะรู้ตัวได้ว่าอาดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันเป็นอย่างไรอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเราจะปัจจุบันนี้เราจะทำอะไรเราพอจะเลือกตัสดสินใจอย่างถูกต้องแล้วทำ ดำเนินชีวิตไปในตามธรรมยึดธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าเป็นหลักถ้าเราประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วก็เชื่อปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้พระสงฆ์เป็นติพึ่งเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็คือพระธรรมที่พระองค์ประพฤติปฏิบัติพระธรรมกับพระพุทธเจ้าแยกกันไม่ออกพระ ทำกับพระสงฆ์ก็แยกไม่ออกเพราะพระสงฆ์ก็ต้องสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมดีอุชุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติธรรมที่ตรงถูกต้องยายะปฏิปันโนผู้ปฏิบัติเพื่อการบรรลุได้ถึงธรรมที่ยังไม่บรรลุที่จะถึงสามีจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติชอบปฏิบัติควรเก่การบรรลุได้ให้ถึงที่สุดน่ะเมื่อเราปฏิบัติตรงปฏิบัติ ดีปฏิบัติชอบตามธรรมแล้วรับเชื่อเราได้พระสงฆ์ที่พิ่งในจิตใจของเราเพระการปฏิบัติไม่ใช่เพราะการคิดกนันนะไม่ปฏิบัติเรื่องด้วยเหตุนี้เราทั้งหลายควรพยายามตั้งใจจะพิสูปฏิบัติทุกขั้นอบรมศึกษาให้เข้าใจแล้วอยากมาลอยจิตลอยใจให้เริ่อนเราเสียเวลา ชีวิตที่ผ่านมาก็เสียเวลามาแล้วทายเสียเวลาอีกรู่ครั้งหน้าไม่ทราบไม่แน่นอนว่าจะมีมากน้อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นขอให้ตั้งอกตั้งใจไว้ว่าชีวิตของเราจะยังเหลืออยู่ประมาณเท่าไหรน่นี้เราจะพยายามตั้งใจทำแต่คณงามความดีมีความวิริยะความภาคความเพียร เรียกว่าสัมมาวายาโมมีความเพียรในทางที่ชอบในทางการรักษาศีลต้งจะยากลําบากเท่าไหรก็อดทนเพื่เพียรรักษาให้บริสุทธิ์รักษากายให้บริสุทธิ์ไว้าจบริสุทธิ์จิตใจบริสุทธิ์เรียกว่าสัมมาวายาโมเพียรรักษาความดีก็เพียรพยายามละสิ่งที่ไม่ดีที่เห็นคนอื่นเขาทําก็ดี แม้แต่มีผลเกิดขึ้นจากการทำไม่ดีจะได้มาอย่างไรก็ไม่ควรจะหลงไม่ควรจะยินดีกับเขาเพราะเมื่อผลยังผลความจริงยังไม่ปรากฏแม้แต่สิ่งเหล่า น, นั้นเขามีอยู่เพราะได้มาเพราะสิ่งที่ไม่ดีก็าตามเวลาผลผลมาถึงแล้วเขาจะต้องเดือดร้อนเขาจะต้องทุกข์เขาจะต้อ ง, องลำบาก เขาจะต้องหาโอบายเพื่อให้พ้นจากลีกเลี่ยงจากทุกข์นั้นนั้นแต่ก็ไปไม่รอดเพราะผลกรรมเมื่อเป็นเช่นนี้บัณฑิตทั้งหลายมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเจ้าพระองค์จึงสอนไม่ให้ทำกระทำม้าทำความไม่ดีให้ทำในสิ่งที่ดีด้วยก า, ายวาจาใจให้มีสติ ระลึกในทางที่ชอบสตินี้อยู่แต่เราใช้ไม่เป็นไประลึกในสิ่งที่ไม่ดีก็มีทุกข์มีโทษขึ้นมาเป็นหนทางที่ผิดเรียกว่ามิจฉาสติไประลึกในทางที่ผิดไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาเพราะฉะนั้นการระลึกชอบก็ระลึกมาสู่กายของเรามาสู่ใจของเรา ให้เห็นกายของเราชัดตางความจริงหเห็นจิตใจของเราชัดตางความจริงถ้าเราพยายามมาละลึกกายาละลึกใจของเราให้โรคความจริงเมื่อเราต้องการความสุขเราก็พยายามปล่อยวางสิ่งที่ทุกข์สิ่งที่วุ่นวายสิ่งที่เดือดร้อนเสียแล้วมาละลึกสิ่งที่ทําให้เกิดความยินใจคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหว้ในใจพิจารณากายเห็นความเป็นจริงแล้วปล่อยวาง เราก็จะได้เป็นคนบางต่างจะเป็นคนมีความสุขความสุขมันอยู่ตรงนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าเราเข้าใจอยู่ที่การมาพิจารณารู้กายรู้ใจของเราพยายามและลึกในทางที่ชอบถ้าเราเห็นร่างกายของเรามันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ <c oughs> ก็เป็นเหตุให้เราไม่ประมาท <c oughs> ไม่มัวเมาไม่หลง ไม่หลงในชีวิตความเป็นอยู่ของเราเองเราจะได้เรียบทาประโยชน์เมื่อมีชีวิตยอยู่แต่เออหมวอนกับเรารู้ว่าแสงไฟแสงเทียนของเราเนี่ยมันจะดับเมื่อไรก็ได้ เ, ออเพราะฉะนั้นเมื่อเทียนยังมีแสงสว่างยังมีอยู่แล้วเราก็เรียบทํางานงานอะไรที่ควรทําให้มันเสร็จก่อนที่เทียนจะดับ เ, ออเมื่อเทียนมันดับไปแล้วเราหาอะไรไม่เห็น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 ไม่มีใครอยากอยู่เลยมันมืดจริงๆพราะฉะนั้นจิตใจของเราที่ไม่ได้ประพฤติทำนั่นมันมืดจริงๆเหมือนกับโลกไม่มีดวงอาทิตย์นี่แหละพราะฉะนั้นธรรมะมีอยู่าศาสนามีอยู่เราเกิดมาได้พบาศาสนาเราได้พบแสงสว่างที่พำำระธรรมคําสอนของพระองค์วางไว้สองทางให้เราเดิน เพราะฉะนั้นเราควรเรียกทำประพฤิปฏิบัติพึกหัดอบรมถึงแม้ว่าเราจะต้องทำการงานหาเลี้ยงชีพต่างๆหาใจของเราดีแล้วมันก็ไม่เป็นอุปสรรคสิ่งนั้นก็เลยพลอยได้รับความสะดวกสบายเครื่องอุดนุนเพื่อคุณคุณให้ได้เราได้ประเพฤติทมด้วย้าใจของเราไม่ดีฉะนั้นทุกย่างก็อุปสรรคไปหมด จะทำอะไรก็ลาบากจะทำอะไรก็ขัดข้องไปหมดไม่มีในจิตในใจนั่นอุปสรรคคือจิตใจไม่ดีสิ่งที่ํำระอุปสรรคก็คือเราจะทำจิตใจของเราให้ดีถ้าใจเราดีเราสงบมีความสุขนะนั่งที่ไหนก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขมนุษย์ทั้งหลายกลัวทุกข์แสวงหาความสุข ด้วยความคิดเห็นว่าการมีวัตถุเข้าของบ้านช่องสมบูรณ์บริบูรณ์นั่นแหละมีความสุขพาการทุ่มเทเวลาเวลาชีวิตจิตใจทุกอย่างเพื่อให้ได้มาสิ่งเหล่านั้นผล ท, ที่สุดเมื่อใจไม่ดีแล้วก็มีปัญหาอยู่ในบ้านก็มีปัญหามีเงนินมีทองก็มีปัญหา มียดเทามนาศาัตร์ก็มีปัญหามีทุกข์อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะความไม่ดีถ้าหากว่าจิตใจของเราดีแล้วมีธรรมอบรมดีนะ้ยุ่งด้วยกันก็ไม่มีปัญหาตางคนต่างประพฤติทำต่างคนมีทักรู้จักความจริงด้วยกัน อยู่ด้วยกันก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขทำกันงานก็มีความสุขแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ยิ่งเข้าครัวใหญ่มีพระภิกษุสงฆ์เป็นพันพันเป็นห้าร้อยอยู่เป็นหมู่เป็นฝวกก็ไม่มีเรื่องอะไรจะเทาะกระเทือนเพราะปะพุชนถัดถึงแม้ว่าการอยู่การชั้นระได้รับความลำบากกระเทาะกระเทือนจากสิ่งเหล่านั้นแต่ก็ไม่กระเทาะกระเทือนจากจิตใจผู้เป็นผู้ถึก ท่านมารู้ความจริงแล้วท่านไม่แสดงออกในทางทุกข์ให้เกิดความมีเวนมีไฟเดือดร้อนวุ่นวายไม่ให้สงบท่านยังรักษ า, า, กษาความสงบรักษาความเรียบร้อยของคณะของหมู่ของพวกอยู่ด้วยกันอย่างงามหน้าเคารพกราบไหว้เลื่อมใสพระจิตใจของท่านสะอาดบริสุทธิ์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 เราเมื่อเรารู้าใจของเราไม่ดีเราก็ไม่เอาเพราะเราไม่ชอบเราระลึกดูจิตใจของเราอาถใาใจของเราไม่ดีเราก็ระลึกหาสิ่งที่ดีมาไว้ในใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าสติปัฏฐานของพระองค์พระองค์ละอะไรก็ไปยามละพระองค์ทำอะไรก็ไปย่ำทำเราก็ได้สเราก็พึ่งได้ที่เดียงนี้ ความไม่ดีก็หมดไปความดีก็เกิดขึ้นความสุข ก, ก็ตามมานี่ได้ที่เครื่องอย่างแท้จริงพระทํามเล่ารือลึกได้ที่ไหนพระธรรก็ระลึกได้ในใจนั่นเองแหละเพราะอารมณ์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ใจพระทําทในส่วนที่เป็นอกุศลทำก็ต้องใจเป็นฟูตุ้งแต่งขึ้นมาก็ทําขึ้นมาก็มาจากใจเป็นฟูบงการ ใช่ก็ทำทุจริตผิดความช่่งหายาะต่างๆ็ใจนี่แหละไม่ดีไม่ใช่อื่นไกลเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องถ้าทมเป็นที่พึง่งเราก็ตรวจ ด, ดูใจของเราอารมณ์ที่เกิดขึ้นใน ใ, นใจของเรานั้นเราพึ่งได้หรื อ, อยัง เ ม, มื่อมีเจ็บทุกข์เจริญยาเราพึ่งไม่ได้แล้วเราก็พยายามทําใจของเราให้สงบโดยมีสติมะลึกภาวนาสมถะภาวนาล้วนแต่ทาทางนั้น่ะการภาวนาก็ล้วนแต่สร้างพระธรรมเป็นถิ่พึ่งคือสติสร้างพระธรรมเป็นถิ่พึ่งคือสมาธิพระธรรมคือปัญญามีไว้ใน จ, ใจิตใจถ้า ส, สติสมาธิปัญญาเกิดมีใน จ, ใจิตใจแล้วก็พึ่งได้ การใดเมื่อทำเหล่านี้สติก็เดีสมาธิก็เดีจิตใจก็จะมีความสงบจะมีความสุขอย่างนี้เราก็พึ่งได้อยู่ น, นันเท่าไรก็ได้เพราะมีความสุขนั่งก็ได้นอนก็ได้แต่พระสงฆ์ล่ะเราจะไปหาที่ไหนพระสงฆ์เราเป็นฆราวาส เ, เราไม่ได้บวชหมายถึงการปฏิบัติเราไม่ได้บวชเป็นฆราวาสก็ได้บวชก็ได้ ตามสติกำลังความสามัญขอ้อผูปฏิบัตโนผู้ปฏิบัติดีรับผู้ปฏิบัติดีเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีแต่มีทานมีศีลไมีภาวนาแต่ปฏิบัติอย่างถูกต้องสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจไม่ประทุดกรรมอันไม่ดีทุจริตต่างๆก็เป็นผู้ปฏิบัติถูกเหมือนกันปฏิบัติดีเหมือนกันผู้ปฏิบัติกลอง ติดตรงต่อสาธารณะที่พึ่งคุณประพุทธประธรรมประสง์เราเริ่มสายกรอบกราบไหว้ต่อประพุทธประธรรมประสง์ยึดเป็นที่พึ่งประพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามอการปฏิบัติตามปฏิบัติต r งถูกต้องนั่นเพราเรากับชื่อว่ามีคุณพระสงค์อยู่ในในตัวของเราเรากระตุษาหาความรู้เราที่เรายังไม่รู้ ก็แสดงหาการได้ยินได้ฟังแล้วก็จดจํานําไปปฏิบัติตามไม่เกิด่ความรู้ด้วยจิตที่มันเข้าถึงแล้วก็มีความรู้สึกความสงบความมิเวทความสุขตามที่เราประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้เราก็พึ่งได้มีแล้วในตัวของเราเมื่อเราปฏิบัติเราก็พึ่งได้ประสงค์สิ ป, ปฏิจันโนชุ ป, ปฏิจันโนมีอยู่ในกายในวาจาในใจของเราบริบูรณ์ เราอยู่สิทธิ์ไหนก็มีความสุขหรือโลกนี้ก็มีความสุขละโลกนี้ไปแล้วการปฏิบัติไม่มีใครเอาไปเผาไปทําลายเหมือนก็ร่างกายได้หรอกความดีมันอยู่ในจิตใจใครทําลายไม่ได้ขอ้อหลอกจากเราจะทําลายเราเองเท่านั้นแต่เราเริ่มใสปฏิบัติมันม่นในจิตในใจไม่มีใครทําลายได้เลย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 เศร้าหมองในจิตในใจให้คุณมัวให้มืดหมดมีแตกสว่างสวยรุ่งเรืองไปตามระดับเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึ่งจำไว้ที่พึ่งของเรามีเท่านี้พากันยึดมั่นปฏิปทาเพื่อให้ได้มาซึ่งที่พถูกสู่ประพุทธประจประสงค์ให้มันถูกต้องเมื่อเราทำ อย่างนี้โดยความไม่ประมาทตั้งอกตั้งใจแล้วเราก็จะมีความสุขความเจริดทั้งในปัจจุบันและทั้งในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วพราการกำหนดจดจำไว้ในใจแล้วตรวจรองพินิจพิจารณาเกิดสติปัญญาอันเห็นชอบถูกต้องแล้วเระพฤติปฏิบัติอบรมบ่มอินทรียให้แก่กล้า เราก็สามารถจะได้ประสบพบเห็นความสุขความเจริญดังสแสดงมาสมควรเกิเวลาอยุติแต่เพียงเท่านี้